ได้ยินได้ฟังเอาไว้เป็นพระโหสูตรเป็นพระโหปัญญาให้มันเกิดได้หลายอยทางการได้ยินได้ฟังเนี่เป็นสูตรธมยปัญญาการไปแยกไปแยะเรียว่ากินตรรมยปัญญาการกระทําลงไป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 ผู้มีสติมีปัญญาไม่ผันไหวเพราะการนิทาฉลเสรญนี่ก็เป็นพล pues mm ัง nah, เป็นพละเหมือนกัน <000. S 2> วิขมภนาว <mas ky> <mas k> <iden> <mas k> ิมุตขมมันไว้จนเห็นเวทนาเห็นเวทนาสัาวเวทนาขมแล้วไม่แสดงออก การไม่แสดงออกการไม่โวยไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยเรียว่าขมไม่พูดการไม่พูดการไม่แสดงออกนั่นเรียกว่าโศล จ, จัตเป็นทำมันทําให้งามขันติด้วยอดทนด้วยกระลังแห่งความอดทนกระลังแห่งความสงบเสงฉยมแต่ก่อนนี้เราไม่เคยฝึกกรรมฐาน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 วันหลังาพู ด, ดีดีอ่า น, นไปพูดอยู่ที่คนบุรีไปปฏิบัติธรรมร่วมกันหลวงพ่อก็ไปร่วมกับเขากับคนหมูกับพาพเมงอยู่ น, นั้นสามวันสี่วันสามวันกลับมาเมื่อวานนี่กลับมาแล้วก็มาที่นี่เลยนอนอยู่อัดคืนหนึ่ง เวมัน่วงถ้ารับตาเนขอให้ตาบอดเลยเขียนตัวเองนะาเรียกว่าทุ ด, ดงเหมือนกันนะทุดดงคืออะไรไม่อ่อนแอเข้มแข็งขูดกล ow เมื่อท่านอธิฐานเนี่ยนั่นท่านก็สู้เพ ง, ง่วงก็เลยกลัวเลยเพราะมันมีพละพละอะไรพละแห่งสัจจะพละแห่งอธิฐานสัจจะพละมีอธิฐานพละมี สมัยก่อนพระพุทธเจ้าตัดสรู้กก็มีสิ่งเหล่านี้ช่วยนะมีสิบทัศเนี่ยสู้มานได้นะสาใจธิ่ฐานขันติสติสมาธิปัญญามาเสริมเข้าไปเราปฏิบัติถ้าสิ่งไหนไม่ใช่สติต้องเสริมเข้าไปอย่า เลี่ทางให้มัน <c oughs> นั้นไม่เราเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์อย่างนั้นให้แนวแน่แนแนเรามีวัตถุประสงค์กาเจริญสติเวลานี้เวลานี้เรามีวัตถุประสงค์การเจริญสติสมัยปฏิบัติธรรมใหม่ๆหลวงพ่อก็เคยใช้สัจจะอธิษฐานเรื่องนี้เหมือนกันจากเจ้าสิษย์ ฉันเชาวเศรษจอุมบาทกับกติไม่ขึ้นกติวางบาทปนกติเดินจงกรมเนยเมื่อใดไม่ได้ยินเสียงเพลจะไม่จะไม่นั่งจะไม่นั่งสร้างสติเดินกลับไปเดินกลับมายืนก็ได้ยินเสียงเพลงแล้วเออ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 เดินไปก้าวไปเดินไปข้าวไปเบาเบ็เดินถูกจริงๆเบาเบาดูไปดูไปไหนเหมือนไม่มีอะไรมีแต่ก้าววับวตัวลู่ออกท่าก้าวตามหลังเบาที่สุดถ้าตัวหลงออกท่าตัวลู่ตามหลังหนักนะทวน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 กูแขนกขามันลุกขึ้นเดินเราก็ยกมือขึ้นสุดวางาลงกราบไปไปหลวงพ่อก็เดินจมกลมหลวงพ่อก็เดินจมนกลใต้ต้นโหเขาก็กราบใต้ต้นโหลองคิดดูว่าเอ้าคนแก่อย่างเราเนี่ยจะพิคิดไหลกับที่เบตมันจะเก่งขนาดไหนมันนี้กรัเอ้าเราก็ไม่จบ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 เราก็เวียนเทียนปกทเทเบตเวียนเทียนไม่เป็นเดินไเป็นหรือ น, น, นับลูกแทนหรือกลัาบางทีเราก็ต้องพิคิดลองดูถ้าไ ม, ไม่ไม่มีอะไรพิคิดก็พิคิดกับตัวเองให้จงได้อะไรมันเกิดขึ้นควมง่วงความคิดความผงซ่ า, านขยับาทการมลคาปะปฏิฆะความทิฏฐิความสําคัญ ม, มั่นหมาย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 เวลามันเสยลงเราก็จับเรลาสะพานได้เราไม่ต้องปล่อยตัวเองให้มันตกลงไปในความคิดในอารมณ์ต่างๆสติเหมือนกับเหาสะพานเกาะเอาไว้กับกายของเรานะ่กายของเรากับสตินะ่เหมือนเราเดินไต่สะพานที่มีเหล่าจับยากที่จะพัดตกลงไปถ้าเรา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 แต่แพ้ก็แพ้ตัวเองถ้าแต่แพ้ตัวเองเนี่ยน่าอายนะแต่แพ้คนอื่นเนี่ยไม่น่าอายดีด้วยถ้ายอมแพ้คนอื่นเป็นเรื่องดีแต่แพ้ตัวเองหนึ่งไม่อยากไปยอมแต่ชะนะคนอื่นก็ไม่ดีต้องชะนะตัวเองเหมือนกันแต่แพ้ตัวเองก็อยากไงยอม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 ในปานประเทศในปานสนามฝึกรบของเขาก็วิ่วงขึ้นโูเขาหิมาลัยทหารเนี่ย<า>เราไปนอนอยู่โพเขาหิมาลัยนยะเรานอนอยู่ใกล้ๆกับทางทางขึ้นเขาหิมาลัยเราก็นอนสูงเพื่อนดินไปยี่สิบสามสิบกิโล ไึใใกไกลก็นันมองเห็นสนามบินข้าววานะ <c oughs> แล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดคืนเลยพวกทหาร เ, เนปาลเงินเขาทหารประเทศตื่นเขาต้องมาจ้างทหารเนปาลไปฝึกให้ทหารเขาทหารเนปาลเขาไม่คยขีดฝึกทหารฝึกนักลกให้ทั่วโลก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 ชนะหลายหลายเวทียิ่งไปมีอารมณ์เห็นรูปทุกน้ำทุกเห็นความทุกเป็นการเห็นอย่างเป็นเสดกตือนลือล้นท้อใจที่จะเกี่ยวข้องกับความทุกอย่างถูกต้องรูปทุกน้ำทุกช่วยทันทีเหมือนแม่เหมือนพ่อที่เลี้ยงลูก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 ไม่ใช่พรามันโกรธแสดงว่ามันหลงเรามีเครื่องมือแล้วก็เสริ่นสติกลับมาหายใจเข้าหายใจออกอเก่งริงๆหายใจเข้าหายใจออกสองรอบเท่านั้นแหะมีสตินะความโกรธหายไปเลยนะไม่ใช่ไปดุไปด่าเขาไม่ใช่ไปอดไปทนไม่ได้ท น, นะทำมันที่มันถูกตอนนะ้องนี่เราก็ได้หลับตั้งแต่เริ่มต้นตกรรมาฐานยกมือเคลืไไ่อนไหวไปมาหายใจเข้ารู้สึกตัวเนะี่ย หลักตรงนี้เฉลยไปตลอดหลักของกรรมฐานทางเส้นนี้เฉลยไปตลอดเหมือนเราเดินทางจากกรุงเทพจากไหนมามาทานไหนทางเส้นนี้ก็เฉลยมาชายอภูมิกรุงเทพที่เที่ยวที่เที่ยวก็ต้องอยู่ทางนี้แหละตรงเมื่อเราไปคอนบรุน ร, นบรีเนี่ยเราไปคอนบุรีเนี่ยไปออกโคราชเข้าโชคชัยเข้า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 รูปโลกนามโลกขบวนการแห่งการแก้ทุกข์รูปสมมุตินามสมมติรูปบัญญัตินามบัญญัติเสร็จเลยวัตถุอาการต่างๆเห็นสิ่งอะไรมันลื่อไปลื่อไปเลื่อไปนะเห็นสมมุติเห็นบัญญัติวัตถุอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปคำนามนามพ้นจากตัวนี้ได้สมมุติเป็น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 ตกแหลงความรู้นะเป็นตะ ก, กัศิลาตรงนี้ตกแหลงความรู้โอ้ยไม่เคยรู้ไม่เคยมีความสุขมันจะหลงแปลความสุขมันจะหลงแปลความรู้ได้เหมือนกันถ้าให้หลงตรงนี้ก็ง่ายแล้ววนะถ้าหลงตรงนี้ก็เป็นวิปัสสนูเสียเวลาอีกสักห น, น่อยให้ก็มีพระมาบอกพื่ไป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 การสอนให้ทําเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นที่ว่ากรรมฐานถ้าสอนให้รู้นะมันเป็นจริตตรมัย ญ, ญปัญญาไม่จริงอันไม่หมดมันยังวกกังวลมันยังกลับมามันเริมถ้าสอนให้ทําให้เห็นเนี่ยมันไม่กลับมาต้าหมดมันก็หมดไปเลยคขมโลภขมโกมโรธขมหลงขมหมดไปเลยที่เหลืตอนหาละคะก็หมดไปเล ย, เลเลยถ้าสอนให้รู้นะรู้จริงจรงควบคุมได้